ขนเจียมคือขนแกะหรือขนสัตว์ชนิดหนึ่งในจำพวกกวางของทำวินัยกรรมคือของที่ทำให้ถูกตามวินายนิยมของเป็นกัปปิยะคือของที่สมควรแก่สมณะเขตอ น, นิสงฆ์กินคือตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบสอง ถึงกลางเดือนสี่เขารีดเดียรถีคือเข้าถือศาสนาอื่นเข้าถึงลัทธิอื่นไขสือคือรู้แล้วทำเป็นไม่รู้